สี่มีจิตใคร้ครวนถึงาธาตุกรรมฐานคือนอกจากจะมีจิตใคร้ครวนถึงความเป็นจริงของร่างกายดังกล่าวมาแล้วในข้อที่3พึงพิจารณาแยกให้เห็นความเป็นจริงที่ว่าอันที่จริงร่างกายของเราเองก็ดี ของผู้อื่นก็ดีไม่ใช่ตัวเราของเราแต่อย่างใดเลยเป็นแต่เพียงธาตุสี่ที่มาประชุมเกาะกลุ่มรวมกันเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทนอยู่ในสภาพที่รวมกันเช่นนั้นไม่ได้นานไปก็เก่าแก่และแตกสลายตายไปธาตุน้า ก็กลับไปสู่ความเป็นน้ำธาตุดินก็กลับไปสู่ความเป็นดินธาตุลมก็กลับไปสู่ความเป็นลมและธาตุไฟก็กลับไปสู่ความเป็นไฟตามเดิมเนื้อตัวร่างกายของเราเมื่อได้แยกส่วนออกมาดูแล้วก็ไม่ได้มีตัวตนที่ตรงไหนแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่เนื้อหนังกระดูกตับตไตไส้กระเพาะเส้นเอ็นพังผืด เนื้อเยื่อมันสมองไข่ข้อและอื่นๆมาเกาะกลุ่มกันตัวตนของเราไม่มีครั้นเมื่อแยกอวัยวะย่อยๆดังกล่าวออกไปจนถึงหน่วยย่อยๆของชีวิตคือเซลล์เล็กๆที่มาเกาะกลุ่มรวมกันก็จะเห็นว่าเซลล์เองก็เนื่องมาจากแร่ธาตุทั้งหลายซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจมารวมกันเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆไม่มีตัวตนของเราแต่อย่างใด แม้แรท่าต่างๆนั้นก็เนื่องมาจากพลังงานโปรโตอนและอิเล็กตรอนเท่านั้นหาใช่ตัวตนของเราแต่อย่างใดไม่ที่หลงกันอยู่ว่าตัวเราของเราหาที่ไหนไมิได้เลยทุกสรรพสิ่งที่ดิ้นรนสแสวงหาสะสมกันเข้าไว้ในที่สุดก็ต้องทิ้งจากซึ่งป่วยการที่จะกล่าวไปถึงสมบัติที่จะนำเอาติดตัวไปด้วย แม้แต่เนื้อตัวร่างกายที่ว่าเป็นของเราก็ยังเอาติดตัวไปไม่ได้และก็เป็นความจริงที่ได้เห็นและรู้กันมานานา น, นับล้านล้านปีคนแล้วคนเล่าท่านทั้งหลายที่ได้เคยยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจยศศักดิ์อำนาจวาสนาและทรัพย์สมบัติในอดีตการจนเป็นถึงมหาจากักรพรรดิมีสมบัติที่สร้างสมมาด้วยเลือดและน้ำตาของผู้อื่นจนค่อนโลก แต่แล้วในที่สุดก็ต้องทิ้งต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปแม้แต่เนื้อตัวร่างกายของท่านที่เคยยิ่งใหญ่จนถึงกับเป็นผู้ที่ไม่อาจจะแตะต้องได้แต่แล้วก็ต้องทอดทิ้งจมดินและสายจนในที่สุดก็สลายไปจนหาไม่พบว่าเนื้อหนังกระดูกคนเล็บตับไตไส้กระเพาะของท่านไปอยู่ตรงไหน คงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เป็นดินน้ำลมและไฟตามสภาพเดิมที่ก่อเกิดกำเนิดมาเป็นตัวของท่านแต่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วตัวของเราท่านทั้งหลายก็เพียงเท่านี้มิได้ยิ่งใหญ่เกินไปกว่าท่านในอดีตจะรอดพ้นจากสัจธรรมนี้ไปได้หรือเมื่อความเป็นจริงก็เห็นเห็นกันอยู่เช่นนี้แล้ว เหตุใดเราท่านทั้งหลายจึงต้องพากันดิ้นรนขวนขวายสะสมสิ่งที่ในที่สุดก็จะต้องทิ้งจะต้องจากไปซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายวันเวลาอันมีค่าของพวกเราซึ่งก็คงมีไม่เกินคนละหนึ่งร้อยปีให้ต้องโหมะเสียเปล่าไปโดยหาสาระประโยชน์อันใดมิได้เหตุใดไม่เร่งขวนขวายสร้างสมบุญบารมีที่เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐ ซึ่งจะติดตัวไปได้ในชาติหน้าแม้หากสิ่งเหล่านี้จะไม่มีจริงดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างเลวพวกเราก็เพียงเสมอตัวไม่ได้ขาดทุนแต่อย่างใดหากสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้มีจริงดังที่ปราชญ์ในอดีตกาลยอมรับแล้วเราท่านทั้งหลายไม่สร้างสมบุรณ์และความดีไว้ สร้างสมแต่ความชั่วและบาปกรรมตามติดตัวไปเราท่านทั้งหลายมิขาดทุนหรือเวลาในชีวิตของเราที่ควรจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์กลับต้องมาโมฆะเสียเปล่าก็สมควรที่จะได้ชื่อว่าเป็นโมฆะบุรุษโดยแท้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 ให้เป็นสุขคติที่ไม่มีการเวลาหาขอบเขตมิได้โดยยึดหลักสำคัญคือความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาและต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงทุกลมหายใจเข้าออกเถิด เสียงอ่านหนังสือวิธีสร้างบุญบา ร, รมีพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศวิหารเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณเป็นพิเศษกับคุณตองพีที่อนุญาตให้นำเสียงเป็นโนบเบลเพลงมาประกอบเสียงอ่านสภะานังธรร ม, มทานังชินาติการให้ธรร ม, มะชนะการให้ทั้งปวง กราบอนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมเผยแพร่คำสอนเสียงอ่านฉบับนี้นะครับติดตามดาวโหลดธรรมะได้อีกมากมายได้ฟรีที่ j o โ h o เน็ j o z h o n e t เธอองค์ญาณสังขราชามุทิตาอภิวาทผู้ทรงธรรม ทรงเมตตาบารมีทรงชี้นำเผยแปร่พุทธธรรมให้เกรอไกรเชื่อกำทำดีกันเถิดนาคือสัจจาทรงกรุณาสั่งสอนไว้ให้ทุกคนจงก้าวพ้นจากเวรภัย Ween, w y d i ช้ำใจทุ่มเทกายและใจเปลี่ยมศรัทธาศาสนาให้ยังยืนสืบต่อไปแนนในลาสาทุชนสาบซึงใจแสสรงสรรเสริญให้อายุวัฒนามงคล